หลองตาโลกซึ่งตัวเองไม่เคยไปอยุ่มาครั้งตั้งแต่ยังเป็นฆาวาสเมื่อลบไฟมาถึงสถา น, นีชุมทางบ้านพาชีจึงได้ลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าไปถึงบ้านพี่ชายเขาทราบว่าพี่ชายได้อบรมเจริครอบครัวขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วจึงได้พบแต่เพื่อนฝูงและคนเฒ่าคนแก่ที่เคยนับถือกันมาได้พักอาศัยอยู่ในตำบลนั้นพอสมควร มื่อมาจวนสิ้นเดือนพฤษภาคมได้บอกกับเพื่อนว่าจะเดินทางไปจังหวัดพนันครเพื่อนได้จัดแจงซื้อตัวรถไฟถวายและวพาไปส่งที่สถานีได้เดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดพนักพนักลงรถไฟที่สถานีหุรำพงศ์ตั้งแต่เกิดมายัางไม่เคยมาจังหวัดพนันครเลยจะไปวัดศักปิ์ถุมก็ไปไม่ถูกจึงได้เรียกรถย่าคันหนึ่งมาถามว่า ไปวัดสัพพทุมจะเอาค่ารถเท่าไร่ทั้งๆ ท, ที่ขณะนั้นตัวเองก็ไม่มีสตางเลยคนลากรถตอบว่าเอาเห้าสิบสตางค์ทินที่พูดต่อรองกับเขาว่าวัดสัพพทุมอยู่ไม่ไกลใกล้ๆแค่นี้เองทำไมเอามากนะักตกลงเขารถให้เหลือสิบห้าสตางค์แล้วพาไปส่งถึงวัดสัพพทุมเมื่อถึงวัดสัพพทุมแล้วได้ไปกราบในวัฏการพระอุปชา ได้เล่าให้ฟังว่าเจ้คุอุบาลีคุณอามม า, าจารย์ได้นิมนพระอาจารย์มั่นให้ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดทียงใหม่ตกลงว่าในปีนั้นเมือยู่จำพรรษาที่วัดสักปทุมกุฏิที่พักอยู่ห่างไกลจากกรุดของพระอุปชาพระดยสา น, นี้ได้วยท่ใจพยายามปฏิบัติตนตามเคยกิจวัตรของวัดก็พยายามไม่ขาดอุปชายวัตร เมื่อจาเป็นจริงๆก็ไม่ยอมให้ขะดเวลานั้นคำนังถูกเคร่งในทางปฏิบัติปรีตัวอยู่รังพังเป็นส่วนมากรักษาความสงบเป็นใหญ่ทำวัดสุดมนทั้งเช้าและคำ่ำช่วยปฏิบัติพระอุชาทั้งเชา้าทั้งเย็นนั่สังเกตเห็นความเป็นอยู่ของพระอุปชายัางมีช่องโหว่เป็นสิ่งที่เราพึงพอใจมากที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติท่านอาทิตย์เช่นที่นั่ ง, ท, งที่นอน กระโทนมากทูเสื่อสาอาสนะไม่มีใครสนใจและเอาใจใส่นั่นคือช่องโหวที่เราเห็นว่าเราควรจะได้ปฏิบัติเมื่อ hmm. แต่เป็นนั้นเป็นปันมาก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อุปจายวัดอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นรู้สึกว่าเป็นที่รักที่พอใจของท่านเป็นอย่างมากเพอเออกภาษาแล้วท่านก็เรียกตัว ให้ไปอยู่ประจำที่คลังสงฆ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านชันจังหันเคยคุติขอเขียวซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระศิรุต่างๆของสงฆ์ดั่งตังใจปฏิบัติท่านเสมือนอย่างปิดาบังเกิดก้าวแต่ไม่เคยนึกเลยว่าความรักความดีจะมีภัยนู่นยางคาราดูแลนจึงได้กราบลาท่านเพื่อออกเดินทางไปวิเวกเดินทุต่งได้ออกเดินทางจากจังหวัดพระนคร ผ่านจังหวัดอยุธยาสระบุรีลบบุรีอำเภอตาขีภูเขาผู่ขาล่วงเขเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกลและบึงบอระเทศดได้ไปโปรดพี่ชายและเพื่อนฝูงที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เวลาอย่างไม่ที่ปวดในระหว่างที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ น, นี้ไม่ออกไปภากกิน ป, ป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณยี่สิบเซนวันหนึ่ง ได้ยินเสียงช้างป่ากับช้างตกมันร้องเสียงดังเพราะกำลังต่อสู้กันอยู่สู้กันอยู่ประมาณสามวันช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายส่วนช้างตกมันไม่เป็นอะไรเมื่อเป็นงนี้ช้างตกมันก็ยิ่งดุร้ายถูกท่าคาระวะหนักขึ้นไมื่อิ่งับไร่ใช้งาจิ้มแทงผู้คนซึ่งอยู่ในบริเวณป่าที่เราพักอยู่เจ้าของช้างตกมันคือขุนจบกับชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในประเวณนั้นได้ขอนิมนต์ให้เข้าไปพักในบ้านเราไม่ยอมไปรู้สึกว่าเสียวอยู่บ้างแต่อาศัยขันติแห่เชื่ออํานาจแห่งความเมตตาต่อมาวันหนึ่งเวลาบ่ายประมาณสิบหกนาฬิกาช้างตกมาตรนนั้นได้นิ่งมาจืนอยู่ข้างที่พักของเราห่างที่เราพักประมาณยี่สิบวาขณะนั้นเรากําลังนั่งภาวนาอยู่ไม่ได้ยินเสียงร้อง ลิโพน่าออกไปจากที่พักเห็นช้างปกมันงาขาวยืนหูชันทำท่าทางน่ากลัวนก็ึม น, นใจว่าถ้ามันวิ่งพุ่งมาหาเราช่วระยะเวลาไม่ถึงสามนาทีก็ถึงตัวน่อนึกที่หนีก็เกิดความกลัวจึงกระโดดวิ่งออกจากที่พักไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากที่พักประมาณสามวาขณะที่กาลัอองอมรเหนียวต้นไม้ก้าวขาปีนต้นไม้ได้ข้างหนึ่ง กขาได้ยินเสียงค้ายคนมนากสิทิที่หูว่าเราไม่จริงกลัวตายคนกลัวตายจะต้องตายอีกไม่ได้ยินสีงกสิทธ์เตืมนชนี้จึงต่อยมือปล่อยเท้ารีบเดินขับไปที่ผักนั่งเข้าที่ไม่หลับตาหันหน้าไปทางทิศที่ช้างยืนอยู่นั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตในระหว่างนี้ได้ยินเสียงสะพานโหร้องกันดังสนั่นวันไววตกกตกใจ ว่าถ้าองนั้นคงจะแย่ไม่มีใครไปช่วยเหลือท่านได้ยินแต่เสียงพูดกันอยู่อย่างนี้แต่เขาไม่ปรากฏว่ามีคนใดกล้าเข้ามาใกล้ตัวเราเลยแม้แต่คนเดียวได้นั่งเผล่มีตาจิตอยู่ประมาณสิบนาทีมองเห็นชามตัวนั้นตีหูโบกขึ้นลงสูงพื้ผับอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หันหลังกลับเดินเข้าป่าไป เจ้าช้างกมันตัวนั้นเดินเข้าป่าไปแล้วประมาณสักพักหนึ่งเราได้ออกจากที่พักเดินออกไปกลางทุ่งนาคุ้จบเจ้ากองช้างและญาติโยมได้พากันมาหาเราอย่างรา้อนรำพากันประหลาดใจว่าเราปลอดภัยมาได้อย่างไรรุ่งขึ้นวันที่สองประชาชนและชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณป่านั้นได้แห่กันมาหาเราอย่างมากมายพากันมาขอของดีจากเขาเขาพูดกันว่า ท่านองค์นี้คงจะมีอะไรดีช้างตกมันจงนึงไม่กล้าเข้ามาแทนเมื่อเป็นดังนี้ความไม่สงบก็เกิดขึ้นไม่พักอยู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวรัมลายาดโยมเพื่อเดินทางกลับจังหวัดพระนครต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคมได้เดินทางกลับมาจังหวัดพระนครพักอยู่วัดสปัปปทุมตามเดิมในต้องกาที่สองนี้พระอุปชา มอบให้รับหน้าที่ทางานแทนพระไบดิกาบุญรอดเพื่อนฝงได้แนะนําชักชวนให้เรียนพระธรรมคือนักธรรมตีทําให้มีภาระหนักขึ้นเพราะไหนจะต้องปฏิบัติอุปชาไหนจะต้องทําหน้าที่บัญชีพระสะดุและบัญชีเงินสดของวัดซ้ํายังต้องเรียนพระปริยัติธรรมและเรียนธรรมทานอีกนี่ต้องมีภาระยุ่งยากหลายอยา่างอาการของจิตใจรู้สึกว่า ในอาการเสรื่อมคายเปบ้างเล็กน้อยในทางปฏิบัติโดยมีข้อสังเกตได้ดังนี้ภาษาแรกที่มาพักอยู่บรรดาพระเนรเด็กเล็กที่เป็นหนุ่มได้มาชวนคุยเรื่องทางโลกเรื่องผู้หญาผู้หญิ ง, งมั่งมีรู้สึกในใจว่าเกลียดที่สุดพระถึงภาษาที่สองได้ยินเขาสนทนากันเรื่องความเจริญมั่งมีและเรื่องทางโลกชักชอบฟังก็มาภาษาที่สาม จะเริ่มเรียนบาลีพระยะกรส่วนนักทมตีนังสอบได้แล้วในปีพศ2472งานการก็หงักขึ้นทุกทีตอนนี้ชักขยับคุยกับเขาได้ในเรื่องโลกเมื่อความเป็นอยู่ของตนเป็นฉนนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจทั้งภายนอกวัดและภายในวัดดูมาวันหนึ่งเวลาโจรออกพษาป ร, รากฏว่า เงิสงฆ์ขาดบัญชีไปเก้าร้อยกว่าบาทได้ตรวจบัญชีทบทวนดูเป็นเวลาหลายวันก็ตรวจไม่พบว่าได้ขาดหายไปอย่างไรตามธรรมดาที่ปฏิบัติจูทุกๆุวันที่หนึ่งของเดือนจะต้องนําเรื่องกรารเรียนพระอุปถัาภ์เพราะจันทร์ที่หนึ่งเดือนนี้ยังไม่ได้นําเรื่องไปกราบเรียนสอบถามเพื่อนฝูงที่ทํางานอยู่ใกล้คิดกันทางคนต่างปฏิเสธไม่รับรู้อะไรทั้งหมดแน้ที่สุดก็พอไปสู่ได้อยู่ทําหนึ่ง คือเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอุปชาชื่อนายบุญบางวันนายบุญได้ขอรกบรรแจไปเก็บไว้ในเวลาเราออกไปบิณฑบาตผู้นึกได้ช น, นีก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพระวิริกาบุญรอดให้ช่วยสอบโจรสอบถามนายบุญดูจึงได้ความว่านายบุญรับว่าได้กโมมไปในเวลาที่เราออกไปบิณฑบาตเหตุนี้เกิดขึ้นจากพระอุปชานั่นเอง ว่าวันหนึ่งท่านได้รับในมณ์ไปรับสามฮาของเจ้านายองค์หนึ่งพัดประจำย่าประจำของท่านเก็บไว้ในห้องนอนของเราเมื่อเรานำลูกปืนแจติดตัวไปในเวลาออกบินธ บ, บาต ท, ท่านก็เอาไม่ได้ท่านจึงได้สั่งให้มอรลูกปญแจไว้แก่ในบุญเวลาเราออกไปบินธ บ, บัตด้วยเหตุนี้เงินจึงได้หายสูญไปเพราะดีที่ในบุญรับสรภาพว่าไดเอาเงินไปทิง ก็ตรวจบัญชีดูโดยละเอียดปรากฏว่าเงินของสงหายไ ป, 700. ป, ปเจ็ดร้อยกว่บาทเศษนอกจากนั้นเป็นเงินของพระอุปชาเมื่อได้ตรวจสอบทบทวนดูและสืบสวนได้ความจริงจากในบุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ห้าตุลาคมเวลาบ่ายห้ามงเย็นก็ได้บอกกับเพื่อนมีพระเบดีกาบุญรอดแลกพับเชื่อมซึ่งเป็นทรักใคร่ชอบพอกันว่าผมจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ไปกราบเรียนทระอุปัชฌาย์ในวันนี้พระเชื่อมก็พูดห้ามว่าอย่าไปกราบเรียนดีกว่าเม่อสูญหายจริงผมจะใช้ให้รู้สึกขอบใจเพื่อนรักเป็นอย่างยิ่งแต่ก็คิดว่าอย่าทําช่นนั้นเลยต้องเปิดเผยเรื่องราวกันดีกว่าเมราช่นั้นเด็กจะเสียหายและเคยตัวต่อไปเพื่อนทั้งสององค์นี้ได้เคยถูกพระ อ, อุปัชฌาย์ดุมาหลายครั้งด้วยเรื่องราวนี้ฉะนั้น พอถึงเวลาเราจะกราบเรียนท่านทั้งสององค์หลบเขา้าปติปิดประตูมิดทิพปล่อยให้เราเข้าไปกราบเรียนตะเพียงคนเดียวก็จะนำเรื่องกราบเรียนท่านไม่เข้าไปนั่งกว่าดถูธรรมะปูที่นั่งที่กุดขอเขียวไปค่อยท่าเวลาประมาณสิบกนาฬิกาท่านได้ลงมาจากประติเตกลังใหญ่ที่คุณหญิงตลับปรญญาเจ้าพระยาจุมราชเป็นผู้สร้างถวาย แต่วเดินขึ้นมานั่งที่รติดอเกียวไม่เห็นท่านฉันมากฉันน้ำรอนเรียบร้อยดีแล้วก็ได้นําเรื่องเงินของสงและเงินของท่านหายไปเล่าให้ท่านฟังพูดยังไม่ทันขาดคําท่านกระดูออกว่าทําไมแต่กร น, นี้วันที่หนึ่งได้มาบอกเราเดือนนี้ล่วงไปถึงวันที่ห้าจึงมาบอกท่านไม่กราบเรียนว่าการที่ไม่ได้นะํามากราบเรียนในวันที่หนึ่งนั้น ยังกำลังสงสัยในกรุคคลและบัญชีอยู่บัดนี้ได้แต่สงสัยแน่นอนว่าหายจริงและได้เสจสวนหาตัวก็ได้ตัวท่านถามว่าใครละ่ะก็ตอบถวายว่าในบุญเขารับสารภาพแล้วพอพูดคํานี้ท่านก็สั่งว่าไปเรียกตัวมันมาและกําชับว่าเรื่องนี้อย่าพูดอี้อฉาวไปนายเขา ท่านได้สั่งให้ปิดเงียบพอดีพระปฏิกาบุญโลดได้นําตัวในบุญมาเล่าเรื่องถวายท่านในบุญเองก็ได้รับสารภาพต่อหน้าท่านในที่สุดตกเป็นภาระของในบุญที่จะต้องหามาใช้ต่อไปเมื่อเสร็จเรื่องนี้แล้วก็ขอลาออกจากเนื้อที่นี้ออกตุ่มขณะเกิ ด, ดกรเรื่องนี้นอนไม่หลับอยู่คืนหนึ่งตลอดคืนคิดในใจว่าจะต้องสึก ไปหาเงินมาใายแทนส่งแต่อีกแใจหนึ่งก็ไม่อยากจะสึกคิดรบกันไปรบกันมาอยู่อย่างนี้จนตลอดลงจึงเล่าเริ่มถวายให้ท่านฟงังท่านก็มยาวอนุญาตให้หนีไปตามความต้องการท่านพูดแต่ว่าเราไม่มีตาชัยเราเห็นแต่เธอฉะนั้นต้องอยู่กับเราไิสักคนเพราะเราก็แก่แล้วในที่สุดจึงต้องทนอยู่ต่อมาอีก เป็นภาษาที่สามรูปภาษานี้ท่านได้เรียนให้ไปอยู่กุฎหม้ที่ท่านอยู่ประจำํำโดยช่วยท่านแก่นาฬิกาแต่งที่นู้นที่นี่ส่วนงานที่เคยทําได้มอบให้แก่ทับเชื่อมรู้สึกว่าเบาใจไปได้บ้างในระยะนี้ได้ตรวจดูจิตใจของตนเองรู้สึกว่าเสื่อมในทางปฏิบัติคือจิตทีหันไปในทางโลกเสพทางได้คิดต่อสู้อยู่จนตลอดพรรษา อยู่มาวันหนึ่งได้เกิดความคิดข้าในใจว่าถ้าเราอยู่ในพนคร น, นี้เราต้องสึกถ้าเราจะไม่สึกเราต้องออกจากพนครไปอยู่ป่าจึงได้ทำการบริกรรมอารมณ์ทั้งสองอารมณ์นี้ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งได้ทึ้นปบนยอดปัจจดีที่มีโรงแล้วเขานั่งสมาธิได้บริกรรมในใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะสึก มันก็ในขึ้นในใจว่าเราอยากจะสึกมากกวา่าจึงได้สักซ้อมสอบถามตัวเองว่าที่ที่เราอยู่ขณะนี้มีบ้าน ส, สวยๆถนน ง, งามๆคนมากๆจเจริญรุ่งเรืองไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมืองนีน้เขาเรียกว่าเมืองอะไรเตอบได้ว่าพระนครคือเมืองสวรรค์ของมนุษย์ได้ต่ถามไปถึงเมื่อเกิดเมืองนอนของเราเองว่าเราเกิดที่ไหนตอบได้ว่า เราเกิดอยบ้านน้องสองห้องอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีในเวลานี้เราได้เข้ามาอยู่ในพนักงานแล้วก็นึกอยาจะสึกถามตัวเองว่าเราอยู่บ้านของเราเองเรากินเรานอนเรานุ่งห่มอย่างไรบ้านช่องถนนขนทางเป็นอย่างไรอาชีพอะไรก็ น, นึกได้ทุกอย่างว่ามันไม่เหมือนพนักครสักอย่างเดีย ว, วเมื่อปีนีน เราจะนั่งนึ็กคิดควงความเจริญของเขาทำไมก็เล็กตอบในใจขึ้นว่าคนที่อยู่ในพระนครเขาก็ไม่ใช่เทวบุทเทวดาอะไรเขาก็คนเราก็คนทำไมเราจะทำตนให้เหมือนเขาไม่ได้ก็ได้ไล่เลี้ยที่ไททถาันเองอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันในที่สุกก็ตกลงใจว่าอยากก่างนั้นเลยถ้าเราจะศึกษาเพศจริงๆ เราต้องเตรียมเครื่องสึกไว้โก่อคนอื่นที่เขาจะสึกเขาต้องเตรียมเครื่องนองห่มและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทำแค่นั้นเราควรเตรียมอย่างอื่นคือเตรียมตัวสึกทางใจทดลองดูเสียก่อวันนั้นกลางคืนเดือนงายเยียบสงบได้เข้าไปนั่องอยู่ในโรพรงพระดีแล้วก็นั่งเลกว่าถ้าเราสึกไปเราจะทําอย่างไรได้คุยสนทนาอยู่อย่างเป็นเรื่องเป็นาวดังต่อไปนี้ ถ้าเราสึกไปเราจะต้องไปสมัครทำงานเป็นเสมียนที่ห้างเิ่นภาคขายยนักยาธาตุเขเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสึกออกไปแล้วได้ทำงานอยู่ที่ห้างนี้ได้เงินเดือนเดือ น, อนละยี่สิบาทเราจะไปยาปดิต่ตขอทำงานกับเขาหรือก็ตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำงานไปโดยมีคติประจำใจว่าเราจะทำงานให้เป็นที่พอใจของในห้างทุกอย่าง เราจะต้องตั้งอยู่ในความสู่อสัตย์สิจริตเราไปอยู่บ้านใครเราจะต้องทำความดีให้เป็นที่พอใจของคนบ้านนั้นในที่สุดห้างก็รับเข้าางานที่ต้องการโดยให้เงินเดือนเดือนละยี่สิบาทเท่ากับเพื่อนเราต้องประหยัดใช้เงินเดือนเดือนละยี่สิบาทให้มีเหลือแล้วก็นึ่ไปเช่าห้องแถวของพยาพักดีที่ประตูน้ำค่าเช่าห้องเดือนละสี่บาท ค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องแั่งตัวค่าอาหารคิดแล้วเดือนหนึ่งต้องใช้จ่ายประมาณสิบห้าบาทเราก็ยังคงเหลืออยู่อีกเดือนละห้าบาทใ้ปีต่อมาในห้างเชื่อใจรักเราขึ้นเงนเดือนนี้อีกเป็นเดือนละสามสิบบาทหากค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลืออีกเดือนละสิบห้าบาทในที่สุดถ้าเราได้้าที่ตาแหน่ง หัวหน้าคนงานนายห้างพอใจขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ40บาทเราก็มีเงินเหลือเดือนละ25บาทนอกจากนี้ยังได้เปอร์เซ็นต์ค่าขายของเพิ่มเติมอีกเดือนหนึ่งจะต้องได้เงินถึง50บาทเมื่อถึงตอนนี้เรามีความภูมิใจมากว่าเราได้รับเงินเดือนเท่ากับตำแหน่งในอำเภอเมถึงเพื่อนฝูงทางบ้านเกิดเมืองนอน เราก็มีฐานะอยู่เนือเขาทุกๆคนจึงคิดจำติอยากจะแต่งงานเพื่อจะได้นําภริยาสาวสวยในพระนครขึ้นไปเยี่ยมบ้านเกิดให้ญาติได้รับความดีอกดีใจตัวเองก็รู้สึกว่ามันโก้เยิขึ้นเอารัะที่นี้เราจะเป็น ง, งานกับคนชนิดใดก็คิดว่าหึิงที่เราจะแต่งงานด้วยจะต้องมีคุณสมบัติของผู้หญิงสามประการคือ หนึ่งต้องเป็นหญิงที่มีสกุลสองต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์มรดกสามต้องเป็นผู้ที่มีรูปกค่างสวยงามและมีมารยาทดีถึงได้ในคุณสมบัติทั้งสประการนี้เราจึงจะจอมแต่งงานกับหญิงนั้นแล้วก็มานึกในใจว่าหญิงคนนั้นเราจะไปใกล้เขาได้อย่างไรและจะไปหาได้ที่ไหนฉันตอนนี้ มองเน่ากันบ้างแกล้งยืนตางทางเธอเสียบ้างเมื่อวันเธอก็ยืนใส่เราพอเห็นเธอยิ้มให้ต้องพยายามสจมจดหมาให้เธอจนได้ในที่สุดก็รู้เรื่องกันจึงได้นัดหมายกับหญิงนั้นว่าวันพรุ่งนี้ให้หลาโรงเดือนไปเที่ยกันบกลงกันได้พดจาได้สนทนากันหลายวันหลายเวลาเขา้าก็เกิดความรักความเมตตา ความพัฒนาดีซึ่งกนรณ์กันไม่พูดคุยกันถึงเรื่องราวความทุกขสุขของการณ์นนกันตลอดตั้งแต่ต้นจนตายตัวเราเองก็มีเงินเดินถึงเดือนละห้าสิบาทตัวเธอเองก็เป็นนักเรียนจบชั้นมัธยมปีที่หกและเป็นถึงรูปพญามีทรัพย์สมบัติมากมีรูปโฉมมณญาตความประพฤตเป็นที่พอใจในที่สุดก็ตกลงกันว่า เราวมาเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ต้องเปิดเผยต่างคนต่างรักกันก็ขโมยได้เสียกันตัวเธอเองก็เป็นคนดีก่อนที่จะมั่นคงแน่นอนในครอบครัวเธอก็ได้ไปบอกกล่าวกับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอเกิดไม่พอใจจึงได้ขับไล่ออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันสองคนโภเมียเมื่เป็นัหนี้ตัวเองก็ไม่ได้มีความเสียใจแต่จะต้องพยายามทําความดี ใหเป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายให้ได้แล้วได้พาต น, นีไปเช่าห้องแถวอยู่ที่ประตูน้ำสามประทุมห้องแถวแถวนี้ดีขึ้นกว่าเก่าจึงต้องเสียค่าเช่าเดือนละหกบาทส่วนภรรยาก็ได้ไปทํางานอยู่ในห้างเดียวกันได้รับเงินเดือนเดือนละยี่สิบบาทเธอก็ได้ทําความดีเหมือนกับเราได้ที่เงินเดือนเป็นเดือนละสาสิบบาท รวมกันแล้วสองคนผมเมียมีรายได้ถึงเดือนละแปสิบบาทจึงนึกพอใจต่อมาการงานในหน้าที่ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลําดับเป็นผู้วางใจกองไในห้างบางครั้งก็ทํางานแทนในห้างได้ได้ตั้งใจทํางานด้วยความซื่อ ส, สัตย์สุทริตทั้งผัวทั้งเมีย ร, รวมรายได้เป็นเดือนเดือนในเปอร์เซ็ที่ขายของได้ตกเดือนละหนึ่งร้อยบาท พอถึงตอนนี้รายได้ดีก็หายใจโล่งแต่ยังไม่ครบปริบูรณ์ในการนึกท่านคิดทางความดีเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพ่อตาและแม่ยายหาซื้อของกิดีๆสิ่งของดีๆไปให้ท่านในที่สุดทั้งพ่อตาและแม่ยายก็เกิดความรักและสนใจจึงได้เรียกลูกสาวและลูกเขยเข้าไปอยู่ในบ้านเล็กดีใจขึ้ว่าเรา ต้องได้รับมรดกอย่างที่เคยนึกอยู่ร่วมกันไปนานๆเท่าการก็ทำบางสิ่งบางอย่างก็เกิดไม่เป็นที่พอใจของพ่อตาและแม่ยายจึงได้ถูกขับไล่ออกจากบ้าน้องคนผัวเมียก็าพากันไปอยู่ห้องแถวตามเดิมตอนนี้ภรรยาเริ่มตัางคัรกลัวภรรยาจะต้องทำงานหนักจึงหาจ้างคนใช้หนึ่งคนเพื่อเฝ้าบ้านและช่วยหลือภรรยาทางานบ้าน เวลานั้นาาค่าท่างคนใช้ก็ถูกเดือนละสีบาทเท่านั้นจนเวลาที่ภรรยาจะครอดบุตรภรรยาเริ่มลา ง, งานเขาบ่อยๆเราเองก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแาะัิ่งทบทวนดึงกันเดนือย จ่ายหมดไม่มีเหลือในที่สุดภรรยาป่วยหนักถึงแก่ความตายต้องไปขอยืมเงินจากในห้างห้าสิบบาทของเรา5้าสิบาทลกูลกรวมมาทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปหมดเงินไปแ0สิบบาทงันคงเหลืออยู่ยี่สิบาทยังมีลูกเล็กๆอีกหนึ่งคนจะทำยังไงันดีตอนนี้ที่เคยหายใจโล่งเพระแต่ารโกรธท่านจะเริ่มอึดอัด เข้าไปหาพ่อตาแม่ยายชักไม่ติดต้องเป็นจ้างแม่หนมมาเลี้ยงบุตรแม่หนมก็เป็นคนชั้นต่ําเขาก็เลี้ยงดูและดีกับลกของเราเละเกิดความดีของแม่หนมทําให้เราเกิดมีความรักความเมตตาในที่สุดก็ได้แม่หนมมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแม่หนมเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาแม้หนังสือไทยก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เชิญเงินของเราก็เหลืออยู่เพียงเดือนละห้าสิบาท ต่อมาแม่หนุ่มก็เริ่มตั้งครรภ์เราก็แสดงความเมตตาปาณีเกเขาไม่ให้ได้รับความทุกข์ลำบากหรือทางานหนักก็พออยู่พอกินกันไปแต่ก็รู้สึกผิดหวังที่ได้ตั้งใจไว้แต่เดิมไปบ้างต่อมาแม่หนุ่มก็คลอดบุตรออกมาอีกหนึ่งคนได้ช่วยเหลือเลี้ยงดูกันมาจากนกระทั่งบุตที่เกิดจากภรรยาเก่าโตอพอสมควร บุที่เกิดจากภรรยาคนที่สองก็โตพอสมควรตอนนี้แม่เลี้ยงแทบจะเกิดอย่างไงย่างไงขึ้นคือไม่รักบุตรที่เกิดจากภรรยากเก่าบุตรที่เกิดจาภรรยากเก่าก็ฟ้องเราเสมอเสมอว่าแม่เลี้ยงมีความประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งบุตรกับบุตรก็เกิดทะเลาะวิวาทกันสมมติว่าบุตรสองคนแม่หนึ่งคนต่างฝ่ายต่างยือนอยู่คนละทิศ เรายืนกลางเมื่อกลับจากที่ทำงานลูกเก่าก็ฟ้องอย่างหนึ่งลูกใหม่ก็ฟ้องอย่างหนึ่งแม่เลี้งก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันตัเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับใครมันชักเกิดยุ่งในจิตในใจขึ้นมาลูกใหม่ก็จะเอาอยางนูนแด่งตัวอย่างนี้ผลสุดท้ายลูกกับลูกก็เกิดการแข่งขันกันขั้นเอง ภรรยากระบุตรก็เกิดการแข่งขันกันัเองแข่งขันกันในเรื่องการกินบางในเรื่องการแต่งตัวบางในเรื่องการใช้เงินบางในที่สุดจะไปนั่งคุยกับลูกเก่าก็ลำบาจะไปนั่งคุยกับลูกใหม่ก็ลำบากจะไปนั่งคุยกับภรรยาก็ลำบากตรวจดูรายได้ของตัวเองเคร่งไม่มีเลือ ม, ม, มองไทั้งนั่นครอบครัวก็ยุ่งยิ่งกวา่าเข้าไปอยู่ในกองนามหวาย ในที่สุดก็ต้องอยาร้างกับภรรยามีบุตรก็ไม่ได้อย่างหนึกมีเงินก็ไม่ได้อย่างหนึกมีภรรยาก็ไม่ได้อย่างหนึอยากันนั้นเลยเรากลับไปบวชใหม่ดีกว่าเราก็ได้มาบวชมาบำเพ็ญสมณะธรรมพอมา น, น, นึกได้ชนีดอารุ่มโลกที่เคยนักคิดมาก็พัำหายสูนไปในดวงจิต ค, ความอัดอั้นตันใจ หายไปหมดสิ่นรู้สึกสบายเหมือนกับตัวลอยอยู่ในอากาศก็หลงเออขึ้นมาในดวงจิตเลิกก็ได้ว่าเมื่อเรื่องราวจะเป็นถึงเะนั้นเราไม่ควรสึกใจที่นึกคิดอยากสึกเหมือนการโกรธก็หายไปตั้งห้าสิบหสเปอร์เในระหว่างที่นึกคิดอยู่นั้นมีเหตุปัญดาเกิดขึ้นต่งางๆเช่นบางคืนฝันเห็นพระอาจารย์ มดาด่าพังดุาพางแต่เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่นับว่าแปลกได้เกิดขึ้นรวมสี่ครั้งในระหว่างธนกิจในอารมของโลกแต่ต้องขอโทษผู้ฟังว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่สู้หน้าฟังจกไม่เขียนมันทึกไว้หรือก็ล้นแต่เป็นกติเตือนใจจึงจำเป็นต้องมันทึกไว้ครั้งที่นึ่ในเวลากลางคืน ขณะกำลังนึกคิดอยู่ในอารมณ์ของโลกเท่นนั้นวันหนึ่งรู้สึกท้องผูกไม่สบายจึงได้ฉันยาถ่ายเวลาตอนบ่ายกาว่าตอนสามทุ่มก็จะต้องไปถ่ายตามที่ได้เคยฉันมาก็เกิดเหตุบังเอิญเมื่อฉันแล้วเป็นปกติไม่ปวดถ่ายรูกเป็นเชา้าจะไม่เดินออกไปบิณฑบาตในต่อวัดสระทุมเพอเดินไปถึงหน้าบ้านที่เขาจะใส่บาตรก็รู้สึกปวด จะรอย่างหนักจนทนแทบไม่ไหวจะเดินออกไปรับบาดก็เดินไม่ได้ข้าขาไม่ออกม้อแต่ดกดขั้นขยับขาเดินได้ทีละคื้ไปถึงปากถินแห่งหนึ่งรีบวางบาดลอดรัวเข้าปากถิ่นมันนึกอยากเอาหัวดำนินให้ตายเสียดีกว่าเมื่อทํำรับเสร็จแลว้วก็ออกจากป่าอุ้มบาดเดินมินทบาทต่อไปตามเคยวันนั้นได้ข้าวไม่พอฉัน กลับมาถึงวัดก็ได้เตือนตัวเองว่ามึงสุดไปแล้วต้องเป็นอย่างนี้ใครเขาจะมาใส่บาตรให้กินเรื่องนี้ได้เป็นกะติเกเตือนใจอย่างดีครั้งที่สองออกเดินไปบินตาบาแตเช้าเดินข้ามสะพานหัวช้างผ่านสามแยกวกไปถนนเพชรบุรีถ้าแม้แต่ตะพีเดียวก็ไม่ลงบาตรพอดีได้เห็นหญิงแก่อายุประมาณห้าสิบปีไวผมมย ตะแปะแก่ไว้ห่างเปียมนส่งเสีนงางเอกะอยู่ในห้องแถวขณะนั้นเราเดินมาถึงตรงหน้าบ้านเขาก็หยุดยืนนิ่งดูประมานสักสองอึ้นใจเหงนยายแก่ความไม่ควาปีาหัวตะแปะตะแปะขว้ามวยผมที่หลังยายแก่ตัวเองก็เริ่มคิดว่าถ้าเป็นเราโดนเข้าอย่างนี้จะทําอย่างไรกันก็ตอบขึ้นว่ามัน ต้งบ้างแต่ขลัขาดแน่การที่ได้ประสบพบเหตุการณอย่างนี้กบดีใจมุ่งความบินตบบาบดได้ข้าวเต็มบาทวันนั้นบินตาบดได้ข้าวเกือบไม่พอชันต่เวลากลางคืนก็นึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นนิดกำลังดวงจิตก็รู้สึกมีการเบือน่ายเรื่องของโลกออกไปโดยลำดับครั้งที่สวันนั้นเป็นวันเทศกาล ได้ออกเป็นตบาดตั้งแต่เวลาเช้ามืดแลินไปถึงตลาดประตูน้ําสังขุมแล้ววกกลับมาทางหลังวัดบริเวณนั้นมีโคกหมาไม่ถนนดินเมื่อเล่าฝนตกถนนลื่นได้เดินอย่างสำรวมมาตรงหน้าบ้านของโยมคนหนึ่งยินตลาดได้ข้าวเต็มบาทแต่ก็นึกไปในอารมณ์ของโลกไม่จงเผอตัวก้าวเลื่นตลาแล้วเมิงไปในบ่อข้าถงถนนหัวเขาทั้งสอง จมลงไปในโครนประมานนหนึ่งคือค่าสุกในบาทหกหมดเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโครนต้องรีบเดินทางขับวัดเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วเด็กเอามาเป็นกติกเกินใจสอนตนเองว่าการนึกในเรื่องทางโลกของเราเพียงแต่คิดมันก็ยังมีโทษติดตามมาได้ถึงเพียงนี้ใจก็ค่อยคลายค่อยเบื่ออกไปเดิมดับคิดว่า เรื่องครอบครัวนั้นมันเป็นเรื่องของดิกไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่กับความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ขั้นท้่สี 4, เวลารุ่งเช้าออกบินทบาทเดินไปตามถน น, นเพชรบุรีตามเคยเดินไปถึงวังอา เ, เ, เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์พระองค์ท่านเคยใส่บาประจำวันแกะพระทุกทูกไปวันนั้นบังเอิญมีขันข้าวตั้งอยู่ตรงข้ามวังอีกขันหนึ่ง จึงได้เดินไปรับขันตั้งหมายตะโกนเมื่อรับเสร็จแล้วฮันกลับมาจะไปรับขันตรงข้ามพอดีมีรถเมยข่าวในเลือดวิ่งมาอย่างรวดเร็วย่งเทือกศึกไปฮาต์มาหนึ่งคือคนโดยสารน้งตะโกนโวยวายขึ้นตัวเองก็พังหะยืนตอกตะลึงอยู่เป็นเวลาหลายยุดใจวันนั้นเกิดถึงแก่ความตายเพราะถูกรถเมยชนขณะขับไปรับบาด ท, ที่วังพระองค์เจ้าทานี ต้องสกป ต, ตัวไวอย่างเข้มแข็งมีรากาสารสถานทั่วทั้งตัวเมื่อรับบาดเสร็จแล้วก็เดินกลับวัดเรื่องต่างๆเหล่านี้หลงแต่เป็นกติกเกินใจเพราะในสมัยนั้นความคิดทั้งโลกกำลังกำเริอ่อจู่ไม่เล็หวายรุกตังปีพศ2474ออกพรนษาแล้วในปีภัรษาที่สามก็มเรียกว่า เราต้องออกจากพระนครแน่ๆถ้าพระอุปชายังหงห้ามกีจกัรอีกเห็นจะต้องแตกกันในคราวนี้ไม่เะนนั้นก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระทรงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยข้าพเจ้าโดยทางอื่นพันหนึางเวลากลางคืนนอนงา้าโดยหนังสือท้องภาวนาพอเคลื้มหับได้เห็นข้จาจันย์มั่นมาดูว่า ท่าอยู่ทำไมในกรุงเทพไม่ออกไปอยู่ป่าก็เล่นตอบท่านว่าพระอุปชาไม่ยอมให้ไปท่านตอบคำดีว่าไปจึงได้ตัองอธิษฐานจิตถึงท่านว่าเมื่อออกพรษาแล้วขอให้ท่านมาโปรดเราเอาไปให้จงได้ต่อมาไม่กี่วันเจาน้าคุณอุบารนคุณอุปมาจานทร์พระปรมิวาดเกิดอาพาธขาหัก อาจารย์มันก็ได้เดินทางมานัตสการเยี่ยมเจคนน้คุณบุบาลีวันหนั้นคุณนายน้อยมารดาเจ้าคุณมุขมนตรีได้เป็นจกรรมเจ้าพาเป็นกําหนดการชาปนกิจที่วัดเทศเจดีธา ร, ราวาส ค, คุณนายคนนี้ได้มีอุปการะแก่พระอาจารย์มันสมัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธา น, นีท่านก็ได้ตั้งใจมาในงานศพครั้งนี้ด้วยเรากับพระอุชาก็ได้รับนมนต์ ไปในงานชาปนกิจศพครั้งนี้ด้วยแม่แต่พระอาจาร์มัน่นบนเมนเผาศพมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านแม้แต่คําเดียวจึนได้เข้าไปถามท่านเจ้าคุณอมราภิรักขิตวัดบรรมิวาสท่านก็เล่าให้ฟังว่ากุ้าจันได้มาพักอิู่ทีวัดปรรมิวาสจึงได้ราพระอุปชาไปแบกวัดปรมีวาสเพื่บกุ้ยอาจาร์มัน่น เมื่ตั้งแต่อุปสมบทล่วงแล้วได้สีภาษาเพึ่งจะได้มาพบท่านอีกในคราวนี้ก็ได้เข้าไปกราบไว้ท่านก็ได้มีตาแสดงทำให้ฟังว่าขีนาชาติวุสิตังธรรมจริยันติแต่ได้จั่ความสั้นๆว่าพระอาเรียเจ้าขีนาสพทั้งหลายท่านทำต น, น, นให้เป็นผู้พ้นจากอสวักและมีความสุข นั่นคือธรมจันร์อันประเสริฐเพิ่มได้เลียนเท่านี้แต่รู้สึกว่าเราไปนั่งฟังคำพูดของท่านเพีิด น, น้อยใจ้นั่งเป็นสมาธิดีกว่าเรานั่งทำอยู่คนเดียวมากมายใ่ที่สุดท่านก็สั่งว่าคุณต้องไปกับเราในคราวนี้ส่วนอุปชานั้นเราจะไปเรียนท่านเองฉันได้มาคันได้เลียนเท่า น, นัน้นแล้วได้ลากับวสัสดปฐม ได้เล่าเร่องทได้ ไ, ดไพบพระจันมันให้พระอุปชาวังท่านก็น่งฟังแล้วนิ่งน่งอยู่วนรุงขึ้นพระจันมันได้ไปฏิวัสาม ป, ปุมและพูดกับพระอุปชาวว่าจะให้พระรูปนี้ติดตามไปด้วยในเมืองเรือพระอุปชาขออนุญาตจนนึงได้จัดแงตาตีบริการของตนรมลาสังเสียเพิ่มนฟงและลูกิษ์ได้ถามลูกษิษ์ถึงมูลค่าปัจจัย การเดินทางแอร์ดับต่อปาหรืออยู่เพียงสามสบสตางเฉพาะค่ารถจากวัดสมบุกไปถึงสถานีขอนมพงก็จะต้องจ่ายถึงห้าสิบสตางค์คิดแล้วค้ารถจากวัดไปถึงสถานีขอนมพงก็ไม่พอเสียแล้ว